วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจญสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัต t าอันสาชุชนที่เขาลพบพระสูตรวันนี้จะเป็นสูตรที่ 6.5 ปีชื่อว่าปฐมมหารุกษสูตรพระสูตรนี้ ที่ชื่ออย่างนี้เพรแปล ว, ว่าเรื่องต้นไม้ใหญ่สูตรที่หนึ่งคือเป็นเรื่องที่ทรงเปรเียบเทียบธรรมะที่แสดงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ว่าจเจริญ ง, งอกงามได้อย่างไรและจะทําลายต้นไม้ใหญ่ได้อย่างไรกลางนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินติกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อพิสูเห็นความพอใจหนึ่งๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ <c oughs> ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและ แผ่ไปข้างๆรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดโอชารสไปเบื้องบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นมีอาหารอย่างนั้นมีเชื้ออย่างนั้นพึงเป็นอยู่ตลอดกาลแม่ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจหนึ่งในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งโอปาทานอยู่ตันหาย่อมเจริญ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความทุกข์เกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขโมยยอดมีด้วยประการอย่างนี้นี่เป็นสายเกิดทรงแสดงอุปประไม่ก่อนแล้วจงจึงตรัสอุปประมาภายหลังเนื้อความของธรรมะในสูตรนี้ว่าที่จริงก็เหมือนกับสูตรก่อนต่างกันที่อุ ป, ปมาณเท่านั้นในสูตรก่อนนั้นเปรียบเหมือนกับกองไฟใหญ่ได้เชื้อแล้วก็การดับกองไฟใหญ่ สำหรับสูตรนี้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ได้อาหารอ่ากับต้นไม้ใหญ่ที่ถูกทําลายด้วยประการอ่าต่างๆดังในสูตรนี้กล่าว <c oughs> ก็จะขออธิบายอขยับลงไปนิดหนึ่งของส่วนแห่งเนื้อความที่ถือเป็นส่วนหลักของสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าเมื่อเห็นความพอใจเนือง ในทรทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตันหาย่อมเจริญเนี่ยครับก็หมายความว่าจะทรงแสดงปฏิจจะที่จับความตั้งแต่ตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเป็นต้นไปจึงได้ทรงแสดงเหตุเกิดของตันหาว่าตันหานั้นเกิดจากอะไรก็ได้ทรงแสดงว่าเพราะว่าในขณะที่เราปราลบอารมณ์คือนามรูป หรือโลภยอารมณ์ทั่วไปเนี่ยอทั้งภายในแปรนอกด้วยความสํานึกหรือด้วยทัศนคติในทางรักในทางชอบเราก็สะสมะทีละเล็กทีละน้อยทีไรก็มาหนึ่งหนึ่งพอใจทีละเล็กทีละน้อยอ ย, อย่างเข้าไปขยับเข้าไปในอารมณ์ที่มันเป็นฝักฝ่ายของตัณหาอุปาทานเพราะอุปาทานเมื่อเขาจะยึดอะไรเนี่ยเขาก็ยึดในสิ่งเหล่านี้ ทีนี้เมื่อเราไปไปพอใจชอบใจกับอารมณ์พวกนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าไอ้ความพอใจนั้นก็พัฒนาการเป็นตันหานันหาก็พัฒนาการเป็นอุปาตฐานที่เรียกว่าตันหาเป็นปัจจัยเกี่ยอุปาตฐานเนี่ยครับทีนี้ที่จะว่าลงไปอีกนิดหนึ่งจากข่าวที่แล้วเนี่ยว่าการที่เราพอใจหรือชอบใจ <c oughs> ในนามในรูปของเรานี่ผมต่อจากข่าวก่อนนะ ลงลึกให้ชัดลงไปอีกว่าทาที่เรียกว่าทาเป็นที่ตั้งของอุ ป, ปาทานคือนามและรูปเมื่อบุคคลจะยึดยึดอะไรก็ยึดในนามในรูปคือตัวเรานี่แหละครับแล้วก็ยึดนามรูปที่เป็นข้างนอกด้วยรูปเหลืงที่รถโฟล์คสวาชทรลมเนี่นะที่ผมกำลังจะชวนให้พิจารณาลงลึกลงไปก็คือว่าความยึดติดยินดีใน นามรูปของเราเนี่ยมันเพิ่งเกิดหรือเกิดมานานแล้วเกิดมานานแล้วถามว่านานเท่าไหร่เมื่อเราอายุกี่ปีอยู่ในท้องแม่ได้กี่วันกี่เดือนตอบว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นใช่ไหมเป็นอนุสัยสังสมมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติไอ้นี้ไอ้ตรงนี้ก็มีปัญหาว่าก็เมื่อ เราสังสมกันมาไม่รู้กี่พวกี่ชาติแล้วทำไมจะต้องมากล่าวว่าทำความพอใจเนืองๆในลักษณะเหมือนเพิ่งเริ่มสังสมอีกฟังคำถามพอใจไหมฮะเอาอยัางงี้ดีกว่าไอเรารักตัวเนี่ยเราพ่อแม่มาสอนให้เราเออนี่นะรักตัวนะตาของหนูนะหูของหนูนะหนูต้องรักตัวนะอย่าลืมนะค่อยคิดอยู่เรื่อยๆนะ เพิ่มความรักตัวตเติมความรักตัวละนิดตละหน่อยนะอย่าลืมรักตัวนะอย่าเหลอหน้าเลยหรือว่าเราควบการรักของเราเองโดยพ่อแม่ไม่ต้องสอนตอบว่าพ่อแม่จะสอนหรือไม่สอนเราก็รักถ้าเช่นนั้นแล้วทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเห็นความพอใจเนืองเป็นลักษณะของการตรัสในเจริญสะสมค่อยเป็นค่อยไปพระพุทธพจน์นี้ไม่ได้ตรัสในความหมายว่าการรักตัวกลัวตาย หรืออัตวาทุปาทานเนี่ยมันมีการเริ่มต้นที่พระเจ้าจะตรัสสอนได้ว่ากี่ภพกี่ชาติหรือในกลับที่เราไหลเราเพิ่งเริ่มสะสมมาตั้งแต่บัดนั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดหมายเอาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าสังสารวัตรนั้นเบื้องต้นไม่ปรากฏนะไม่มีไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏก็กล่าวไม่ได้ว่าการสั่งสมกิเลส เราเริ่มต้นทำเมื่อไรผมก็จะบอกว่าที่ทรงตรัสเนี่ยทรงตรัสหมายถึงในชาตินี้แหละแม้ในชาติอื่นก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันเอาก็เลยฟังดูจะขัดกันเลยนะครับไอ้ที่มันลึกก็ลึกตรงนี้นะพูดพูดให้มันขัดกันซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นลึก <laughs> ก็คือเราต้องแบ่งให้ความผูกพันยึดติดเป็นสอง ชั้นชั้นหนึ่งคือเราเรียกซะว่าอ่ะรู้ใสก็แล้วกันซึ่งเป็นความยึดติดในทางเราน ม, มีพลังความรู้สึกความเคยชินอันนี้อยู่ซึ่งเราสะสมมาตั้งแต่เกิดทีนี้ไอเวลาเรามาเกิดใหม่เนี่ยเราไม่ได้เอารูปเอานามชาติเก่ามาด้วยใช่ไหมเราเอาแต่ อุปนิสัยกิเลสพลังปกตูนี้มาเนี่ยพลังปกตูเนี้เวลาเขาจะเราเกิดชาติที แ, แล้วเราก็มันก็เคยยึดแต่ว่าไอ้ร่างกายมันล้มหายตายจากทรัพย์สมบัติโลกโลกกระรมก็ล้มหายสูญสลายไปแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้กระดูกเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ขี่เท้าเหงเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ห่วงโซยเราอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ตัณหานั้นมันไอ้กิเลสเนี่ยพลังมันยังอยู่แต่อารมณ์ที่มันยึดนั้นหลุดไปแล้ว นี่เมื่อมาเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยฟังให้ดีตรงนี้นะเมื่อมาเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยความโน้มเอียงของปกตูปนิสัยหรือที่เรียกว่าอ่านุูสนะมันคงอยู่มันมันหมายก็มันตามเนื่องมาพอมาได้อาจภาพใหม่เนี่ยเราลองนึกดูนะฮะ เราเนี่ยเป็นคนมีระสะตัญหาแต่ระสาตัญหาที่เราติดเมื่อสมัยเป็นคนไทยคืออาหารคนไทยน้ำพริกประตูปลาลาปลาเจ้าอย่างนี้นะพอตายไปเกิดชาติใหม่ไปเกิดเป็นฝรั่งเราเอาระสาตัญหาไปด้วยใช่ไหมแต่ไม่ได้เอาอาหารไทยไปเกิดด้วยแต่เราได้อยากกินอร่อยแหละ แต่อาหารที่เราว่าอร่อยเมื่อชาก่อนมันไม่ได้มาด้วยที่เมืองฝรั่งไม่มีน้ำพริกปลาทูเว้นแต่เอลเอปลากระปองอ่า จ, จะมีได้เอาเป็นว่าเอาเกิดเอาที่ไม่มีก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะยุ่งกันใหญ่เราก็ได้รับการนำเสนอจากพ่อจากแม่เอาขนมปังป้อนเราเอาเนยป้อนเราเอามักโรนีป้อนเราอะไรต่ไ เราก็ชักเริ่มค่อยๆตั้งความคุ้นเคยแม่ก็บอกว่าอร่อยนะลูกนี่แม่จะกินให้ดูอร่อยจริงแล้วก็ทำสุซาสุซาล่อเรานะบอกหองด้วยลูกอะไรที่างนีาระห่ดหวานล้อมเราก็ชักสร้างศัศนคติว่านี่อร่อยอร่อยอร่อยซึ่งเราอยากอร่อยอยู่แล้วแต่ไม่เคยอยากอร่อยกับอาหารแบบนี้ เราก็สร้างความคุ้นเคยจนกระทั่งว่ามันค่อยๆคุค้นความอยากเมื่ออยากกินอร่อยต้องอร่อยแบบอาหารฝรั่งพี่จะเห็นว่าเราต้องมีมีบทฝึกหัดในการเกิดใหม่แต่ละชาติเดี๋ยว่าต้องควรนะเรามีกิเลสเป็นทุนอีกแล้วเรามาคิดดูว่าอย่างคนที่อย่างตามมาบุคคลเนี่ยมีความกำหนัดในเมธุนสมาจารนะแต่ในความกำหนัด ในเมธุนสมาจารย์เนี่ยเราเองมี ม, มีไอ้ข้อยับยับ้งข้อเลื่อง ก, กันเห็นเลยเราไปเห็นพวกชาวเขาสศกปลกโกมอมพวกนี้โกรตัวดำปิดปี่พวกแขกไว้ผมเขายาวลงลงังึงเราไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยไปกู้เงินแกกเราไม่เคยเราก็รู้สึกว่าเออไม่ลงฮะรับประทานไม่ลงไป น, นะฮะเอ่อมันก็เลยมีไอ้ข้อที่จะต้องคุ้นเคยว่า อ่าเราเกิดมาแล้วก็พกอันนี้มาเออมาเจอคนที่ถูกใจอะไรมันก็ออกนะฮะี่ผมเทียบให้ฟังนะะเออก็ออกไปลักษณะเมื่อเขามาเกี่ยวข้องเขาก็มานําเสนอตัวเองเป็นผลพันธ์ว่าฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้นะฉันหล่อยอย่างนั้นฉันหล่อยอย่างนี้ทั้งที่เห็นที่แรกมาเคยหล่อเท่าไหรแล้วลพูดไปพูดมาก็เออเออทำไปทํามากลายเป็นดีไปได้เหมือนกันนะอันนี้คือความคุ้นเคยที่มันค่อยๆเสพเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ย พลังกีเลสที่เรามีมันก็รับเอารับเอาอย่างเป็นที่แสดงออกอย่างเต็มที่อ่านี่เป็นเรื่องข้างนอกพี่ผมพูดอย่างเรื่องข้างนอกทีนี้มาพูดถึงข้างในความรักตัวเองอย่างที่เป็นปกตูปนิสยะเนี่ยมันพกติดมานานแต่ความรักนั้นยังไม่เคยสำแดงให้ปรากฏ ในทางความรู้สึกนึกคิดกับอัตภาพใหม่เลยใช่ไหมใช่เรานึกดวเราต้องเกิดชาติหน้าต้องได้อัตภาพใหม่ชาตินี้เราเป็นอย่างนี้เรารักเข้าไปแล้วรวมตัวรักตัวเองก็ไปแล้วโดวยความคุ้นเคยอะไรต่างๆนะแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยเรายังอารมณ์เสื่ออัตภาพปัจจุบันนี้ยังอยู่เราก็คงจะไปนึกรักตัวเองในพบหน้าชาติหน้าไม่ได้เหมือนกันนะ มันไม่รู้อะไรนี่ใช่ไหมเหมือนจะคลุมชุ้งชนให้ตัวเองอาทีนี้ผมจะย้อนกลับมาดูว่าอันนี้อาจจะต้องยกตัวอย่างเป็นเรื่องธรรมดาให้ฟังก่อนธรรมดาแบบไม่ธรรมดาคือพวกเทวดาเนี่ยเนี่ยมดาจริงๆนะนี่เป็นเทวดาธรรมดาแบบเทวดาเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเขา ปลาลบตัวเองเป็นครั้งแรกเขาคิดว่ายัางไงและเมื่อเขาปลารลบว่าเอเราตายแล้วนี่เขาคิดว่ายัางไงเรานึกด้วยดีลนะ้วว่าคนที่ตายใหม่ๆแล้วก็ไปเกิดใหม่เนี่ยยังมีความพวงห่วงใหญ่อยู่กับความผูกพันในอัตภาพและอารมณ์เก่าๆจริงไหมเคยตายแล้วเลยเนี่ยบรรยายนธรรมะแบบเย็นยวน กเ็เคยแล้วเคยแล้วจําไม่ได้อแต่รี่ตอบนี้ความเข้าใจนะเราก็สันนิษฐานตามความเข้าใจอันนี้ว่าจากที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเป็นเรื่องของความผูกพันในอาถรรพเ์เก่าๆและถึงว่าบางคนเนี่ยตายแล้วถึงว่ายังห่วงกลัวร่างกายจะเน่าอะไรต่อะไรอย่างเงี้นะก็มีและบางรายเขาจะไปเผาแล้วยังไปใช้พลังไม่ให้ไหมอยู่นะเพระเพี้ยนใหม่ๆ ม, มาจากสาเหตุนี้อันหนึ่งกันไม่ให้ไหมอย่างเงี้ย เพราะว่าตัวเองยังผูกพันอยู่แต่เมื่อตัวเองตายไปแล้วแล้วไปรู้ว่าเอ๊ชีวิตใหม่มันดีฮะเทียบกันเนี่ยบางทีต้องมีคนมาระสมนิเทศว่าคุณตายแล้วนะคืออย่างนั้นนี้ฉันก็เคยเป็นอย่างงี้ฉันก็ตายมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันฉันถอนอุปาทานจากอารมณ์ชาติก่อนเนี่ย มาไวในชาติปัจจุบันนี้สมบูรณ์แล้วแม้เธอก็จะต้องถอนเหมือนกับฉันแล้วก็ที่เธอมาเกิดใหม่เนี่ยดีกว่าชาติก่อนดีกว่าอย่างไรก็แล้วแต่จะอธาาิบายเหมือนกับคนลืมความรักเก่าไปรักไปมีความรักใหม่นะฮะก็ก็ต้องลำบากใจแต่ช่วงแรกพอทาไปทำมาเข้าใจดีมีคนชี้แจงบอกกล่าว ดีเราก็ถอนความผูกพันเก่าได้เปลี่ยนใหม่จะย้ายบ้านเก่ามาอยู่บ้านใหม่อะไรก็ทานองอย่างนี้เหมือนอนกันอ น, นี้เราเวลาพอเราเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ธรรมด า, าสัตร์นี่จะต้องปาลารบตนเองในลักษณะพกความรู้สึกที่มันวูบขึ้นมาว่าเรารักตัวกิเลสอยู่ที่ไหนมันก็ปาลารบความรักตัวในที่ที่มันอยู่ แต่พอมันมาคิดในทางหลักการครเอ๊ะ เ, เราเราเป็นใครแน่เราอยู่ที่ไหนแน่ก็ตรงนี้อาจจะขันเรียนกว่างนะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยๆมาเพิ่มความผูกพันในตัวเองเพราะฉะนั้นในชาวนะจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยท่านีึงเ ร, เรียกว่าภาวะนิกันติโลภะชาวนะชาวนะจิตแรกของปุถุชนเนี่ยนะครับ คือภาว ะ, ะโลภภาวะนี้การต่างโลภปัจจุบนะได้แก่ความโลภที่ปลาลบตัวเองแล้วก็เกิดความพอใจว่าเราว่าเราค่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้กิเลสเนี่ยไอความรู้สึกเกาเนี่ยได้ถูกปลุกในอารมณ์ใหม่ในรามลูกใหม่ทีนี้ไอตอนนั้นนะครเรามันนึกว่า ถ้าเราก็เราไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเป็นมนุษย์นีบางทีไม่ชาตเจนเราเกิดเป็นเทวดายังไม่ทันไหลก็ตายเราลองนึกดูดีนะไอ้ตัณหาอุ ป, ปาทานเนี่ยยังได้รับการสั่งสมไม่หนาแน่นเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอะไรใหญ่ดีมากนะักเหมือนกับคนมีลูกอ ต, ตั้งครันปั๊บ ยังไม่ทันจะคลอดแทงหรือคลอดมาแล้วยังแบบบอกตายไปพ่อแม่ก็ไม่ได้เต้าโศกเสียใจอะไรมากใช่ไหมบางคนถึงจะมากเพราะความอยากไร่ลูกแต่มันก็ไม่มากเท่ากับเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตอยู่ในวัยที่น่ารักแล้วก็สำแดงอะไรที่จะเป็นที่หวังที่ฝากปีฝากไขายได้ซึ่งในขณะนั้นแปล ว, ว่ายาตพี่น้องพ่อแม่ หลวมตัวไปกับความยึดถือมากแล้วเพราะการสั่งสมที่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้ตอนนั้นที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อภิกษุเห็นความพอใจหนึ่งเนงทรงหมายถึงนามรูปทั้งที่เป็นภายในและภายนอกโดยถือเอาภายในเป็นหลักคือตัวภายนอกคือของตน คนของตนของของตนีง น, นะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มสะสมทางสัตนาคติอันนี้ลงไปหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะความตัณหาคือความกระสันอยากหรือระดับกลางของโลภะก็พอกูนขึ้นและเมื่อถึงจุดนั้นความเป็นอุปาทานคือความยึดติดก็เข้มข้นขึ้นโดยลำดับโดยลาดับอย่างนี้ ดังนั้นจึงต้องต้องอ่านซ้มอีกครั้งหว่าเมื่อภิกษุเห็นความพอใจหนึ่งๆคืออัสส า, านุปัตสีอัสส า, านุปัตสีซึ่งแปลว่าการตามเห็นด้วยด้วยโลภะด้วยความพอใจในอุ ป, ปาทานิยธรรม อุปาทานียธรรมที่แปลเป็นไทยหมดเลยในที่นี้ว่าทำทั้งหลายมันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานเนี่ยบาลีใช่ไหมอุปาทานียธรรมคือทำที่เป็นที่ตั้งหรือเป็นอารมณ์เป็นที่อาศัยเกาะของความยึดถือเมื่อบุคคล น, นั้นสะสมความพอใจไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปสมถึงจุดสมบูรณ์โดยความเป็นอุปาทาน นนการบริหารอุปาทานเนี่ยเรามันึกว่าอุปาทานเนี่ยยึดนี่ไม่ใช่เรามันนั่งตาว่ายึดยึดยึดยึดอะไรก็ไม่รู้ไม่ยึดไม่ได้นะอุปาทานจะเกิดเมื่อมีที่อาศัยมีที่ออกกําลังอนะเหมือนเครื่องมือออกกําลังเนี่ยเราไปไอความยินดีไปคลุกคาเหนียวเข้าเหนียวไปเหนียวมาโหนไปโหนมากล้ามขึ้นเลยนี่กล้ามขึ้นเป็นมันๆนะแต่หน้าท้องทุกก็หมายว่าแข็งแรงได้กําลัง โดยกําลังขึ้นบาเก่านั่นแหละที่โหนที่ละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งร่างกายแข็งแรงกํำยําลําสันภายหลังเพราะฉะนั้นไอบ้บาโหนหรือเครื่องออกกําลังกายเนี่ยก็คือเครื่องออกเราเรียกเครื่องเครื่องได้กําลังมานะออกกําลังเพื่อได้กําลังเครื่องสร้างกําลังเป็นเครื่องมือของกําลัง เป็นเครื่องมือของความเข้มแข็งชั้นใดอารมณ์ที่น่าพอใจภายในยและภายนอกก็เป็นเครื่องมือออกกำลังกิเลสจากความพอใจเล็กๆไมน้อยกลายเป็นอุ ป, ปาทานต่อภายหลังก็เลยได้ความว่ากิเลสเนี่ยค่อยๆสะสมค่อยๆสะสม ในทุกๆเรื่องซึ่งหมายถึงไอ้ความรู้สึกชั้นนอกทัศนคติชันนอกรายละเอียดข้างนอก mm. เราก็สะสมอะไรมันก็ค่อยๆูกยึดไปทุกเรื่องไป mm. ก็นี่ก็จะเห็นว่าไอเราเองถึงเราจะชอบแต่งตัวยกตัวอย่างนี้นะแต่เราเองก็มีข้อแม้ว่า แต่งแบบไหนฉันชอบฉันไม่ชอบและจะให้ฉันชอบแต่งแบบนั้นไม่ใช่จะมาเรียกร้ององ่ายง่ายเช่นบอกเอา้าชอบช่วยชอบแต่งตัวแบบนุ่งโจงกระเบนโฮมผ้าเตี่ยวหน่อยดิไอหฮมผ้าเรียกอะไรนะเกฮสบายอะพอพอใจได้ไหมพอไม่ได้เป็นเรื่องของอุปท า, านแต่ว่าถ้าบังเอิญเนี่ยอย่างผมเนี่ยใครจะมาเออใช่ น, นุ่งตลงมาบรรยายธรรมะนะผมนุ่งไม่ได้ครับ ผมพอใจไม่ลงแล้วก็ผมก็เคยมีความสงสัยว่าทำไมคนพม่า ก, ก็ดูนุ่งเฉยๆก็ไม่รู้นะชุดเชิดอะไรก็ดูเฉยๆแต่พอเราไปอยู่นานเข้าเราก็ตั้งใจจะนุ่งเก่งทำไปทำ ม, มานุ่งสะลงเข้าเวล น, นุ่งสลงใส่รองเท้าแต่จนกระทั่งพวกเราไปนัดไปรอที่สนามบินพวกการบินไทยตอนนั้นไปขนไปตะวิดกไปนั่งรอแล้วรอตั้งนานหากันไม่เจอ เลยนึกว่าเอตกตกเที่ยวบินเนินและะ้วมั้งเดินออกมามันนั่งเจออยู่ข้างนอกก็แน่คนเดียวที่เขาตกใจเลยว่าอีนี่ใครเนี่ยเลยถ่ายรูปใหญ่เลยครบคือไม่นึกว่าจะมาแต่งตัวแบบนี้อนะไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องค่อยๆเปลี่ยนได้สะสมได้ แม้สิ่งที่เราคาดไม่คาดคิดว่าเราจะรักได้ลงคอชอบได้ลงคอเนี่ยนะเราก็รักก็ชอบได้ลงคออาหารอะไรที่เราเคยลังเกล็ดเสียเสย์ เ, ยเยชื่อไหมครับนานเข้าเราก็กินได้ลงคอไม่ว่าจะเนื้อหมูเนื้อมากินทั้งนั้นแหละแล้วแต่ว่าใครจะมายั่วให้เราเกิดความรักเห็นอนานิสงอะไรแค่ไหนจริงว่างไหมจริงบ้างนะกิเลสมันก็ คิดของมันไปเป็นเหตุผลที่มันจะพอใจได้ไปทุกคนไเพราะนั้นความยึดทุกอย่างจึงเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไปก็ต่างกันได้ว่าไอ้วัตถุบางลักษณะเนี่ยคือไอ้ไ อ, อารมณ์ทุกอย่างมันจะมีไอ้ลักษณะกลางความที่มันเป็นอยู่ในความมู่หมายกลางผมย้อยาอีกทีเช่น คนชอบดูเนี่ยก็อยชอบดูนี่คือลักษณะกลางรูปปัตนหาชอบฟังเพลงชอบฟังแต่ไอลักษณะย่อยว่าเพลงอะไรดูอะไรเห็นแม้แต่ดูหนังยังไม่เหมือนกันเลยบางคนต้องหูวแต่งงานกันสามีชอบดูหนังกำลังภรรยาชอบดูหนังจีสามีชอบฟังเพลงไลท์มิวสิกภรรยาชอบฟังยิเก สามีต้องเอาไปประสมนิเทศอยู่นานแล้วต้องไปอธิบายว่านี่เพลงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่นี้จนในที่สุดก็มาชอบเพลงอย่างที่สามีชอบชอบดูภาพยนตร์อย่างที่สามีชอบไม่รู้จะชอบเพื่อเอาใจสามีก็ไม่รู้แต่ก็ชอบจริงๆอย่างลายที่เห็นเนี่ยเพราะว่าเขาก็มาจากจากจังหวัดใายชายกรุงเทพนี่แล้วมาแต่งงานกัรุงเทพ ที่มีการศึกษาหน่อยนะก็ก็เจ้าไม่เหมือนกันนะะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แม้แต่ความรักในเพศสรงข้ามมันก็มีโลชนิยมอะไรต่างๆนะฮะที่มันเป็นของเฉพาะบางทีจะอ้างว่าโอ้ลับหูหลับตาแต่งไปเถอะแต่งกระใครก็มีก็ เ, เรียกว่ามีสา ย, ยาติได้ผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายเหมือนกันแต่ทําไมไม่หลับหูลับตาล่ะฟัทะแท่งมันมีอะไรบางอย่างนะฮะ ไอ้ตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละครับว่าถ้าอารมณ์ใดที่มันสอดมีลักษณะรายละเอียดสอดคล้องกับความคุ้นเคยเดิมของอนุสัยแห่งอุปาทานนั้นมันก็พอใจได้ง่ายพอใจได้ทันทีอย่างบุเพตันิวาที่น่ะนก็พอใจได้ทันทีพอใจได้ง่ายหรือสอดคล้องกับกรรม ที่บุคคลนั้นได้ทำมาแม้ว่าจะไม่มีไอ้ส่วนความคุ้นเคยด้านอื่นแต่อำนานกำจกรรมยักนํามาก็ทำให้เกิดความพอใจได้ง่ายกรรมนี่มันทำให้เกิดไอ้ความพอใจอย่างก้าวกระโดดหรือไม่พอใจอย่างก้าวกระโดดได้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็จบตรงนี้ไปพูดมากไปเดี๋ยวไม่เห็นด้วยแล้วเรามาดูถึงอุปมา ที่พุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยตามจริงก็ชัดเจนอยู่แล้วอุปมาที่ทรงตรัสในที่นี้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ได้อาหารตรงนี้เนี่ยก็เป็นถ้าคนเป็นเป็นคนที่เรียนธรรมะมาเก่าๆหรือปริเฉตหกแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอันหนึ่งที่ผมได้เคยให้พระครังเกตสำหรับสูตรนี้ว่าคือในปริเฉตหกเนี่ยก็ถือว่ารูปต้นไม้ไม่มีอาหารแะจรูปในบริเยตหกนะฮะ แต่ในพระสูตรนี้พูดกระดูดโอชาได้เนี่ยนะฮะก็มันก็มีข้ออภิปรายแต่นี่เป็นว่าให้ข้อสังเกตทิ้งไว้ผมไม่พูดสำหรับตรงนี้แล้วแล้วก็ต้นไม้เนี่ยไม่มีชีวิตในความหมายทางพุทธศาสนาแน่นอนในในพระไตรปิฎกระบุถึงว่าต้นไม้นั้นไม่มีจิตวิญญาณเป็นสัตว์แม้ว่าจะมีสภาพอย่างอื่นเนี่ย มีอาการเหมือนว่าจะเป็นสัตว์แต่พระพุทธศาสนาบอกไม่เป็นไม่เป็นสัตว์และไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรทั้งสิ้นในความเป็นต้นไม้นะฮะอันนั้นไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็มีบทอธิบายจากบางที่บางท่านหมายถึงพระท่านหมายถึงรุ่นหลังว่าต้นไม้มีจิตวิญญาณซึ่งผิดหลักในพระไตรปิฎกอย่างแจ้งชัด ในนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าถ้าต้นไม้ยังมีการดูดโอชามันก็ถึงความมั่นคงมันก็เหมือนกับไอ้ไอกิเลสของเราเนี่ยนะคืออุปาทานเนี่ยมันยังมีความพอใจในอารมณ์ส่งมาเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงบำรุงมันมันก็เข้มแข็งขึ้นแข็งมั่นคงขึ้นโดยลําดับและ ถ้าเรายังทำอยู่อย่างนี้ยังเป็นอยู่อย่างนี้พบชาติไม่สิ้นพบชาติไม่สิ้นเพราะอะไรเพราะเราทำความพอใจอยู่หนึ่งหนึ่งดูดเข้าไม้เข้าไปเข้าไปแล้วก็ดูดไอ้เราเรีึกว่าลากามัหนหลายลากเอาแจงว่าของเรามีตีทั้งหกลากลากตาลากตาสองลากลากหูสองหูลากจมูกสองรู ลากปากเนี่ยลากเดียวแต่ใหญ่หน่อยแล้วก็ลากอะไรอีกละ่ะลากลากกายลากลิ้นลากใจเนี่ยมันก็ดูดอารมณ์เข้ามาด้วยอำนาจของความพอใจที่เป็นตัวแรงดูดมาบำลุงวัฏฏสงสารให้มันคงต่อเนื่องสืบไปนี่เป็นข้อเปรเียบเทียบของพระุธเจา้า ดังนั้นในทางกลับกันโดยในกรงเงินข้ามเนี่ยจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทัทางหลายเมื่อพิสูเห็นโทษหนึ่งหนึงในธรรมทางหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมดับนี่ก็คือว่าการที่เราจะตัดอุปาทานเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลับหูหลับตาว่าฉันไม่ยึดฉันไม่ยึดเลยไม่ได้นะ ต้องตัดด้วยวิธีการสกัดลากที่มันดูดโฉชะเข้ามาเข้ามาเนี่ยทีนี้ไอ้วิธีสกัดนี่มันไม่ใช่ตรงกับที่เราพูดกันว่าอดอะไรเก็บกดหรืออดใจไว้แค่นั้นไม่ใช่นะไอเรื่องของความอดทนเนี่ยเป็นเพียงคุณธรรมอํานวย ความสะดวกแก่กระบวนการของการละเพราะเราต้องทำด้วยความอดทนนี่พู้ว่าอดทนแต่ว่าถ้าอดกลั้นในเก็บกดอดกลั้นแบบเก็บกดแบบทั้งโลกพูดเนี่ยมันหมายถึงว่าอยากพอใจแต่ว่ามันมันไม่กล้าพอใจอยากรักแต่ไม่กล้ารักอะไรเงี้ยนะอยากได้แต่ว่ามันไม่มีทางได้ มันก็เกิดอาการไอ้อย่างนี้ไม่เฉีเป็นกระบวนการละมันเป็นความหิวโหวยและบางทีปล่อยมากๆัมันเลยหิ ว, หวตะกละามากขึ้นย่ยมันถึงกล่าวได้เลยตะกละาเลยวิธีการละจะต้องละิดยการกำหนดใส่ทัศนคติเข้าไปอีกอย่างหนึ่งไม่ห้ามการรู้อารมณ์ แต่ให้รู้อารมณ์อย่างที่ควรจะรู้นั่นแหละเพียงแต่ให้ใส่ความเข้าใจใส่ทัศนคติว่าเป็นของมีโทษมีโทษนี่ก็หมายถึงมีโทษอย่างในความหมายอย่างวิปัสสนาพระพุทธเจ้าพูดไว้มากว่าเป็นโทษเป็นภยัยเป็นอาชีนวะเป็นเป็นผี เป็นหนองเป็นจันไรอะไรเงี้ยนะจะพูดเพื่อจะให้เอาความรู้สึกทางโลกนี่นเข้ามาเทียบสำนึกในทางคติชาวบ้านเข้ามาเทียบว่านี่จันไรฟังดูแล้วน่ากลัวนนะว่าถ้าเราเกิดไปเห็นอะไรแล้วพอใจเนี่ยหัวจันไรฉัพูดใส่ใครก็ไม่ดีนะ แเราไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเกิดกิเลสราคะจัดๆด้วยาหนาอย่างก็คือเราก็เป็นตัวจันไหลพูดกันแล้วก็ไม่ดีอีกเหมือนกันแต่พูดในนี้ฟังได้เพราะว่าทำให้ต้นไม้พิษนั้นดำรงต้นอยู่ได้อ่เพราะฉะนั้นเรื่องของอการตั้งสัญญา ในโลกว่าเป็นของไม่น่ายินดีเป็นพิษเป็นภัยอย่างอย่างเป็นหนึ่งคือขั้นเตรียมพื้นฐานต้องต้องเข้าใจคือต้องยอมรับทัศนคติหรือหลักการอันนี้แล้วก็เมื่อมาปฏิบัติเนี่ยต้องกีดกันความยินดีเออนี่ในสูตรนี้พูดถึงกีดกันความยินดีแต่ว่าในสติปัฏฐานสูตรนั้นพูดถึงความยินร้ายด้วยไอความยินร้ายที่จริงนั้นเป็นตัว ผลกระทบจากความยินดีนั่นเองถ้าเราคุมความยินดีได้ก็ควบคุมความยินได้ไดเร า, าก็กาหนดด้วยความรู้สึกอย่างนี้ด้วยสติไม่ปรารถนาไม่ต้องการอย่างตั้งข้อลังเกียจและเมื่อใดที่บุคคล น, นั้นปฏิบัติไปโดยลำดับจนกระทั่งเกิดวิปัสนาญาณจริงขึ้นก็เห็นนามรูปโดยความเป็นโทษ กำหนดต่อเนื่องบ่อยเข้าเนี่ยมันยินดีไม่ลงโลภไม่ลงกำหนัดไม่ลงอุปาทานก็อ่อนล้ากำลังลงเหมือนอย่างคนที่ปฏิบัติเห็นนามเห็นรูปโดยความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นของน่ากลัวเนี่ยก็เกิดความรู้สึกเหมือนกันว่านามรูปไม่น่ายินดีตัณหาอุปาทานก็อ่อนล้าลง และบุคคลนั้นก็กลัวตายน้อยลงเป็นทุกข์น้อยลงจิตติอะไต่างๆน้อยลงไปตามลำดับตามลาดับจนถึงผู้ใดที่กาหนดอย่างนี้ไปโดยลำดับครบสี่รอบของวิปัสสนาญาณอุปาทานก็ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเมื่ออุปาทานถูกทำลายโดยสิ้นเชิง ปฏิจจ์ก็ขาดสายโดยสิ้นเชิงปฏิจจ์ขาดสายโดยสิ้นเชิงดำลงตนไปจนกระทั่งแลลเป็นของสังสารวัตหายคืออัตภาพที่ดำลงอยู่จนครบอายุไขแล้วก็อนุปาทิเสสนิพานราะนั้นท่านจึงตราดเปรียบเทียบเหมือนกับ ต้นไม้ใหญ่ดูทำรายว่าต้นไม้ใหญ่ตั้งอยู่อย่างนั้นที่นั้นมีบุรุษเอาจอบและภาชนะมาตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นแล้วขุดลงไปกันขุดลงไปแล้วคุยเอารากไม้รากใหญ่เล็กแม้เท่าก้านแฝกขึ้น บรุษนั้นพึงทอนต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นแล้วก็เตรียกให้เป็นชิ้นๆแล้วพึงพึงลมตาแดดครั้นพึงลมตาแดดแล้วพึงเอาไปเผาครั้นเอาไปเผา แล้วพึงทําให้เป็นขมเหลาคลั้งทําให้เป็นขมเหลาแล้วพึงปล่อยที่ลมแรงหรือลอยในแม่น้ําที่มีกระแสอันเที่ยวก็เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดเอารากขึ้นแล้วถูกทําให้เป็นดังการยอดตวนถึงความไม่มี ไม่เกิดอีกต่อไปแม่ฉันใดพิสูจนทั้งหลายเมื่อพิสูจเห็นโทษหนึ่งเหนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมดับฉันนันเหมือนกันเพราะตันหาดับความดับแต่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้เป็นการอุปมาเพื่อเสริมสายวิวัตต์ว่าบุรุษคือพระโยคาวจรต้นไม้ใหญ่คือ สงสารได้แก่น้ำรูดที่อยู่ในสงสารนะฮะ ท, ที่ดําลงต้นและได้รับการบารุง ม, มาโดยลำดับเนี่ยนี่บุรุษที่เมื่อเปลี่ยนสภาพจากผู้บารุงรดน้ำใส่ปุย๋ยมาเป็นผู้ตัดก็เอาจอบเอาพาจนะมาจอบเหมือนกับวิปัตนายานที่บุคคลนั่นอบรมแล้วก็ตัดเท่าที่ต้นไม้ก็คือกำหนด รู้นามรูปแล้วก็ทำไม่ให้เป็นประโยชน์แก่ตัณหาและตัณหาไม่เข้าไปสืนแฟรกก็ขุดเจาะลึกลงไปตามลำดับของอยานเนี่ยครับเป็นความละเอียดของการทำลายกิเลสและเปืืองทุกคือสังสารทุกข์นั้นให้ใ ห, ให้มีโอกาสที่จะเจรญ ง, งอกงามขึ้นได้น้อยลงน้อยลงในพระพุทธเจ้าก็ทรงตรีเทียบละเอียดนะเพื่อเห็นว่า ต้นไม้นั้นเมื่อได้ทําถึงขนาดนี้ไม่มีทางยังงอก ง, งามขึ้นมาได้เลยในตอนสุดท้ายที่บอกว่าเอาเสร็จแล้วก็ไปเผาฝึงโปรยขม่าวจริงเสียเนี่ยเหมือนกับเข้าอนุปาทิเสสนิพการกําหนดตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่แรกจนกระทั่งเข้าอนุปาทิเสสนิพการเป็นพระอรหันตดับขันธปิฎกนิพการหายสาสูนไปไม่มีอะไรเหลือ ในโลกเยียววิสัยนี้ต่อครับก็เป็นอานว่าสูตรวันนี้จบท่านี้นะครับวันนี้ก็พอสมควรเกี่ยวเวลาข อ, อ เ, เชิญท่านทั้งหลายได้สงบจิตก่อนที่จะลุกออกไปจากที่ประชุมฟังธรรมนี้ สงบจิตเอาจิตไว้กับตัวไว้กับใจของตัวเองไม่ส่งใจไปที่อื่นก่อนเพื่อสํารวมจิตระลึกถึงบุญที่เราได้ทำมาแล้วและตั้งจิตให้เป็นเมตตาแผ่เมตตาไปด้วยอธิษฐานปรารถนา ว่าขอให้กร ะ, ระเจ้าก่อนถึงเป็นผู้ได้รับอิทธิผลอนนาปรารถนาทั้งคุณสมบัติแห่งชีวิตที่ดีงามที่พึงสำเร็จได้โดยกุศลวิบากพึงสำเร็จได้ด้วยวิริยะภาวนา ประกอบบุญกิยาอย่างอื่นๆเพื่อความเพียรนั้นถูกต้องขอให้ข้าพเจ้าได้อุปทิสมบัติที่ดีขึ้นดีขึ้นใ น, นทุกๆประการขอให้ข้าพเจ้าได้ประสบสุขสมบูรณ์อยู่ด้วยเครื่องดำารงอัตภาพ ทั้งที่เป็นอารมณ์ที่เป็นประโยชน์ปัจจัยเครื่องอนุเคราะห์ชีวิตและกุศลกรรมการบำเพ็ญธรรมอย่างครบท้วนดีทุกเมื่อขอให้พรมเจ้าทรงได้มีความสามารถมีกำลังที่จะเพือแผ่ ชี้นำแนะนำแบ่งปันเพื่อกูลแกบุคคลเหล่าอื่นทั้งที่สูงกว่าเสมอกันและต่ำกว่าได้ในที่ทุกเมื่อได้อย่างดีขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นที่อยู่ในที่ใกล้อาคารสถานที่แห่งนี้ไกลออกไปในทิดทั้งพวง ทั้งสิทธิเบื้องบนเบื้องล่างด้วยโดยรอบครอบคุมโลกภูมิคติกำเนิด ท, ทั้งหมดให้สระภัสเหล่านั้นได้บุญกุศลของขาา้าพเจ้าได้ความสมเด็จอันควรปรารถนา เช่นกับที่พระพเจ้าได้ปรารถนาแล้วแม้ความปรารถนานั้นความสำเร็จนั้นก็จงเกิดแก่ท่านโดยทั่วกันด้วยให้ประประับตั้งปวงจึงเป็นกาลยานามิตรเป็นบัณฑิต แ, แ, แก่กันและกันแก่กันและกันสัตเพสัตตาเวลา อันยปันาสุขีอตานังปริหารันตุประจมคันี้ครับ